นิยมมาเยอะนะมาใหม่ๆก็เยอะเรียนแบบหลวงพ่อนะี่ยเรียนได้ทีละคนสองคนหลวงพ่อไม่ได้เปิดเลคเชอร์ไม่ด้เปิดบรรยายเปิดจัดคอร์สเด็ดได้ทีละหลายร้อยคนนะเรียนธรรมะอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อแค่สอนให้พวกเรานะหัดรู้ทันจิตใจของตนเองรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวให้คอยรู้ทัน คอยสอนให้รู้กายรู้ใจตัวเองท่านไม่ได้สอนอะไรเยอะหรอกงั้นะนั่งฟังหลวงพ่อพูดฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องกลุ่มใจนะฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องกลุ่มใจรู้ว่ากลุ่มใจนี่เรียกว่าฟังเป็นแล้วนะฟังหลวงพ่อไม่เข้าใจนะกลับบ้านไปกลางคืนหมาข้างบ้านมันเห่าหนูผูโมโหมันรู้ว่าโมโหอย่างเนี้ยรู้เรื่องแนละ้วนะมันง่ายขนาดนีนะ้ไม่ใช่เราไปวาดภาพการปฏิบัติยุ่งยากหวังว่าจะมาเรียน ธรรมะจากหลวงพ่อรู้เรื่องเรียนไม่รู้เรื่องหรอกธรรมะมันสอนกันไม่ได้ธรรมะมันเรื่องเฉพาะตัวธรรมะของใครกับของคนนั้นน่ะสิ่งที่จะสอนเราได้ก็มีแต่ร่างกายกับจิตใจของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เคยสอนหลวงพ่อมาท่านอาจารย์มหาบัวสอนาอการปฏิบัติไม่มีอะไรมากให้มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันสอนแค่นี้เองหลวงปูดูลบอกอย่าสง่งจิตออกนอก สอนแค่นี้เองรุ่นหลังๆอย่างหลวงปูท่ทาท่านสอนมีสติรักษาจิตหลวงปู่เทพสอนเรื่องจิตกระจายครูบาอาจารย์แต่ละองศสอนนิดเดียวไม่ได้สอนเยอะหรอกพวกเราเรียนธรรมะเยอะเกินไปเรียนธรรมะด้วยการฟังมากเกินไปเรียนธรรมะด้วยการคิดมากเกินไปธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการคิดหรอกธรรมะเรียนได้วิธีเดียวนะ ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้ทันกายรู้ทันใจของเราไปแรกๆ ก, ก็จะเห็นร่างกายนี้มันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวสุขหรอกจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงคอยรู้คอยดูไปเห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าเข้าใจธรรมะเดี๋ยวไปวาดภาพธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้ลึกลับอยู่ไกลๆอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่ไกลๆต้องทําอีกนานๆถึงจะเจอ คิดอย่างนี้อีกชาติก็ไม่เจอธรรมะหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเดินชนธรรมะมาตั้งแต่เกิดอยู่กับธรรมะมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นธรรมะคืออะไรธรรมะคือรูปธรรมคือกายนี้คือนามธรรมาคือใจนี้รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจกายเป็นบ้านที่ใจอาศัยอยู่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดวัน เช่นกินข้าวแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ำแล้วก็ขับถ่ายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนี่มีแต่ธาตุหมุนเวียนนะหรือเป็นแค่วัตถุเป็นแท่งแท่งเป็นก้อนก้อนะดูกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุหรือจะดูให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็ได้กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่นอนอยู่ก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยขนาดนอนอยังต้องนอนพลิกไปพลิกมานะ ถ้านอนนิ่งๆไม่ได้พลิกไปพลิกมานะเดี๋ยวก็ไม่สบายตายเองอ่ะดูจิตดูใจจิตใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันนะไม่ใช่พราะคนละวันเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันในวันเดียวกันอ่ะเช้าสายบ่ายเย็นจิตใจของเราก็ไม่เหมือนกันดูละเอียดเข้าไปอีกแต่ละขณะจิตใจของเราก็ไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยน ขณะที่หูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะได้กลิ่นได้รสขณะสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนนะเช่นมีอะไรนุ่มๆ ม, มาถูกแขนเรานะเรานึกโอ้ใครนะมาสัมผัสเราดีใจนะหันไปเจอสิ่งที่น่ากลัวมาสัมผัสเนี่ยไม่ดีใจแนละ้วสมัยหลวงพ่อยังเข้าวัดใหม่ๆนะอายุยังไม่มากมีเพื่อนกันไปภาวนาตามวัดป่านี่แนหะ ไปกลางกรดนอนกลางคืนเป็นคืนดึกแล้ว hmm. เพื่อนมันเอาหัวมาชนแขนนะนึกว่าเพื่อนจะมาเบียดนอนเพราะมันหนาวก็ไม่ว่าอะไรนะมันเบียดเบียดเสร็จแล้วนึกขึ้นได้เอ๊ะมันอยู่นอกกรดเอที่มันเบียดเข้ามานะค่อยๆหลีตาไปดูใครเป็นหมีเห็นไเนี่ยสัมผัสที่ว่าเพื่อนมากระทบไม่ว่ากันอันนะี้สัมผัสนี้ก็ยังสัมผัสอย่างเดิมอ่ะการกระทบก็ยังอย่างเดิมนะเขาเห็นว่าหมีเท่านั้นอนะ่ะ มันไม่เหมือนเดิมแนละ้วเห็นไหมเนี่ยใจมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยนักปฏิบัติก็คือคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราไปเรื่อยเราจะเห็นเลยจิตใจเราไม่เที่ยงเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฝึกอยู่เท่านี้แหละพอแล้วไปเรียนนะแล้วไปทำเมาเรียนแล้วก็ไปทาําเมาธรรมะไม่ทําเอาเองใช้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่ดูลนะเรียนกับท่านเรียนทีหนึงไม่กี่ประโยค ไม่กี่ประโยคครั้งแรกไปหาท่านยี่สิบสามคุมพาสองห้าไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่มองหน้าแวบหนึ่งหลวงปู่นั่งหลับตานั่งก็อิโยกนะท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จมาใหม่ๆไปแล้วก็ท่านก็นั่งหลับตาไปชั่วโมงนะเราก็โอ้หลวงปู่หลับไปแล้วหลวงปู่อายุต้องเก้าสิบห้าแล้วตอนนั้นเพิ่งจะฉันข้าวเสร็จคงเหนื่อยหลับไปแล้วไม่ได้สอนธรรมะเราสักที เราลืมตาขึ้นมาสอนสองสามประโยคเองการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจไปไปทําเอาเนี่หลวงพ่อนะเรียนจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่เคยประคบประง ม, มหลวงพ่อเลยนะนี่จะไปเรียนได้หลักแค่เนี้ยสอนเท่าเนี้ยให้ไปทําเอาเองแล้ว พวกเรารุ่นหลังๆเรียนเยอะเกินไปนะกลายเป็นเชื้อโรคดื้อยานะฟังธรรมะเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าสู่จิตสู่ใจสักทีฟังไปเรื่อยๆฟังวัดโน้นฟังวัดนี้นะย้ายที่ฟังไปเรื่อยๆนะฟังยังไงไม่มีวันเข้าใจหรอกธรรมะนะต้องมารู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจตัวเองแล้วก็เข้าใจมันด้วยตัวเองนะครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละงองค์สอนก็สอนวิธีปฏิบัติให้เท่านั้น ทำไปมันก็เข้าใจสู่ธรรมะอันเดียวกันนั่นเองแต่ ว, ว่าสำนวนโมหานนั้ไม่เหมือนกันแต่ละองค์แต่ละท่านที่หนึ่งนะครั้งที่สองไปหาท่านไปดูจิตมานะคล้ายๆของคุณผู้หญิงเนี่ยลูกศิษย์ท่านจันแบนเนี่ยโู้จิตอย่างโน้นจิตอย่างนี้แหมรู้เยอะเลยดีใจแล้วเจอจิตละไปเล่าสวายท่านยิ้มมากเลยกระยิ้มใจนะึกอยู่สามเดือนแล้วไปเล่าให้ท่านฟัง จิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้นันนน่นตอบเอานั่นบรรยาการของจิตไม่ใช่จิตหรอกไปดูใหม่ไป <c oughs> แล้วท่านเรียกให้ไปเนี่ยนั่งตื้อๆหน่อยแหมนั่งรถมาทั้งคืนเลยสอนเรื่งประโยคเดียว <c oughs> ทําไม่รู้ไม่ชี้นั่งตื้อๆไปท่านก็สอนเรื่องจิตคือพุทธะให้ฟังโอ้อะไรของท่านนะฟังท่านก็ฟังไม่ออกนะภาษาท่านอ่ะสำเนียงท่าน เสียงท่านก็เบาอายุก็มากนะพูดก็เร็วที่สุดแล้วเสียงโตโตลวงปู่ดูนะฟังท่านก็ฟังไม่ออกนะธรรมะท่านก็แปลกเนี่ยส่วนเหตุที่เกิดรูปน้ำเจ้ากวานเป็นเหตุที่เกิดพบเจอดวงดาวต่างๆนับถ้วนก็มีิีๆเนี่ยเหมือนอย่างนี้เปียบเลยล่ะนะฟังแล้วฟังไม่ออกสักคำนะนานๆได้ยินสักตวงฟังไปท่านท่านสอรอยู่สี่สิบห้านาทีจบจิตคือพุทธะ หลวงปู่ครับที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมดูจิตอย่างเดียวพอไหม <c oughs> ว่าฟังไม่รู้เรื่องนะท่านสอนว่าธรรมะแปดหมืนสี่พันถ้าธรรมขันรวมลงที่จิตอันเดียวนี้แหละนะให้รู้ลงที่จิตอันเดียวนี้ไปไปธรรมาไล่อีกแล้วนะเอาไล่ก็ไปนะกับธรรมะครั้งที่สามไปรายงานท่านอีกนะรายงานอีกสี่เดือนฝึกไปสี่เดือนไปรายงานใหม่เออดีแล้วนะ ช่วยตัวเองได้แล้วต่อไปไม่ต้องมาอีกแล้วนะไล่อีกแล้วนะ อ, อมีครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านบอกท่านจะกลับแล้วครับยังกลับไม่ได้มีครั้งเดียวเลยนะที่ไปเรียนกับท่านแล้วท่านไม่ไล่ลาแล้วท่านบอกยังกลับไม่ได้จําไว้นะพบจิตให้ทําลายจิตพบผู้รู้ให้ทํำลายผู้รู้จึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกครับแต่จะจําไว้ เออจำไหมก็ดีแล้วไปไปทำเอาไล่อีกแล้วนะมีแต่ถูกท่านไล่ตลอดเลยอยู่ว่าครูบาอาจารย์ท่านไล่ให้ไปทําเอากับบางคนท่านประครบประงมะบางคนท่านประครบประงมประครับประครองครูบาอาจารย์ที่ฉเฉลียวฉลาดเนี่ยท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันสอนตามจริตนิสัยคนไหนต้องประครองท่านก็ประครอง คนไหนท่านจะโผลเอาท่านก็โผลเอานะคนไหนท่านเห็นว่าช่วยตัวเองได้ท่านให้ไปช่วยตัวเองถ้าหลวงพ่อโอ้ทําไมสอนองค์นั้นเยอะสอนเราน้อยนะน้อยอกน้อยใจครูบาอาจารย์ลำเอียงเลยตกนรกอีกแทนที่แทนที่จะได้ธรรมะทำไมสอนคนโน้นเยอะสอนเรานิดเดียวพวกเราหลายคนนะนั่งในห้องเนี้ยบางคนก็บน่นหลวงพ่อม่คุยด้วยพ่อไปคุยด้วยได้ไงต้งเยอะ นะฟังเอาสิฟังเอาจับหลักให้ได้แล้วก็ไปช่วยตัวเองนะหลวงพ่อสอนแบบสอนเลคเชอร์นะสอนสอนแล้วก็ไปทําเอาเองไม่ใช่สอนอย่างอาจารย์คุมแล็บหรอกบางท่านยุกสอนแบบอาจารย์คุมแล็บนะพาเดินพาตั่งคอยควบคุมแลนะแต่จลิตนิสัยครูบาอาจารย์หลวงพ่อถูกครูบาอาจารย์ฝึกมาให้แกล่งฝึกมาให้แกล่งให้ช่วยตัวเอง หลวงพ่อพยายามฝึกพวกเราให้แกข่งให้ช่วยตัวเองอย่าติดครูบาจาร น, นะเคยเห็นสมัยก่อนไปนั่งอยู่กับหลวงปูเทศด้วยหมดหลวงปู่ ด, ดูโนไปอยู่กับหลวงปูเทศไปบ่อยไปแล้วจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งชอบมากราบหลวงปูเทศนะมาถึงนะ <c oughs> เนีคยเพิ่มอยู่อย่างเงี้ยเพนั้นหลวงปู่ เ, เขใจดีไม่ว่าอะไรอีก <c oughs> 2ปีสามปีสี่ปีน้กเจอแกก็เคืิมอยู่เงี้ยนึกในใจนะหลวงปู่ใจดีนะเป็นเราที่โขกบาปให้มาเรียนแล้วมันจะได้อะไรเรียนอยู่อย่างเงี้ยเรียนแล้วเอาแต่ติดครูบาอาจารย์เข้าใกล้แล้วมีความสุขอย่างเดียวเมื่อไหร่จะเข้มแข็งครูบาอาจารย์ไม่ได้เลี้ยงเราให้เป็นลูกแง่เลี้ยงเราให้เป็นลูกที่โตขึ้นมาช่วยตัวเองได้ ดน้นต้องเข้มแข็งนะต้องอดทนพักเพียรสังเกตเอาคอยรู้เอาคอยสังเกตเอาช่วยตัวเองใีที่สุดถึงเวลาพอสมควรมากราบครูบาอาจารย์มารายงานผลการปฏิบัติท่านสอนอย่างนี้ผมมาทำอย่างนี้มีผลอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกให้ท่านช่วยบอกด้วยถ้าถูกแล้วให้ท่านช่วยสอนกรรมฐ า, านทีด่ดีกว่านี้อีก เนี่ยหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ไปก่อนนะี่ไปถามนั่นอยู่แค่นี้แหละท่านก็บอกทาต่อไปทาต่อไปแล้วก็ทําต่อไปอ้าวครูบาอาจารย์ไฟเขียวละแลวแสดงว่ายังไม่ได้เดินออกนอกลูก่นอกทางทาต่อไปครูบาอาจารย์ถ้าจะเทียบเทียบนะมีอยู่คนหนึ่งฉลาดมากเลยมาฟังหลวงพ่อหลายครั้งฟังไปฟังมานะฟังอยู่เป็นปีเลยยกมือดิฉันว่าหลวงพ่อไม่เคยสอนอะไรเลย ขลวงพ่อตกซ้ายทีแล้วก็ตกขวาอีกทีมากไปนี่อ่อนลงมาหน่อยอันนี้หย่อนไปขยันขึ้นหน่อยนะอันนี้หลงไปอันนี้เพ่งมากไปจริงๆก็มีแค่นี้เองหน้าที่ครูบาอาจารย์นะบอกทางให้เราเดินหน้าที่เราเดินไปถ้าเดินตกขอบซ้ายตกขอบขวานะสังเกตได้ว่าตกถนนไปแล้วก็ขึ้นมาเองสังเกตไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็บอกให้ ช่วยตัวเองไปทําตัวแบบลูกแงไม่ได้กินหรอกนะธรรมะธรรมะมันของคนจริงของคนใจถึงเป็นลูกแงเคยมีนะมีอยู่คนค <c oughs> รูบาอาจารย์บ่นโฉบไปโฉบมาภาวนาน้อยเอาแต่โฉบนะมีอยู่คนหนึ่งมาถึงก็บรรบอกหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยให้กําลังใจหนูหน่อยสิคะหนูมันท้อแท้ใจใจมันไม่อยากปฏิบัติเออไม่อยากก็ไปให้พ้นเลย ไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อคนอื่นนะปฏิบัติเพื่อตัวเองแท้ๆเลยไม่ามาท้อแท้ใจที่จะทําความดีใส่ตัวเองใครเขาจะมาช่วยเหลือคนชนิดนี้คนไม่ช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองให้ได้ามพระมหาชนกไไนนะน้ไม่ว่ายน้ํำนะหลอนางเมขลาช่วยก็จมน้ำตายเท่านั้นเองมันต้องช่วยตัวเองให้ดีด้วยการคอยสังเกตเอาไม่ใช่คิดเอานะว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดอย่าไปคิดเอา นะสังเกตเอาสังเกตเอานะร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวเราไหมดูให้ดีมันเป็นของถูกรู้ถูกดูใจเราเป็นคนรู้คนดูมันนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเป็นแค่วัตถุมันเป็นแค่ก้อนธาตุมันเป็นตัวทุกมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกทุกอิริยาบถ่ะเรียนลงไปจนกระทั่งมันรู้ความจริงของร่างกายนะบางคนถนัดกายก็ไปรู้กายก่อนนะ คนไหนถนัดดูจิตดูใจก็ดูจิตใจไปจิตใจแต่ละวันไม่เที่ยงจิตใจแต่ละวันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่สุขห้ามมันจะไม่ให้มันชั่วมันก็อยากจะชั่วสั่งให้มันดีมันก็ไม่ค่อยจะยอมดีมีแต่บังคับมันไม่ได้สักอย่างเลยเรียนไปจนเห็นความจริงเมื่อวานหลวงพ่อเจอพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคุยกับท่านบอกว่าเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้จิตนี้มันสุขถาวรหรอก ถ้าเราทำจิตให้สุขถาวรได้จิตก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตานัตาเนี่ยบังคับมันไม่ได้ทําให้มันสุขได้มันก็ไม่ใช่ทุกขังฟรีมันเป็นตัวทุกข์นี่ทําให้มันถาวรไม่ได้หรอกเป็นของไม่เที่ยงงั้นเราเรียนรู้กายรู้ใจไปเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันบังคับไม่ได้นะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อจะฝืนความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อจะให้กายนี้เป็นสุข ไม่ใช่เรียนเพื่อจะให้จิตนี่เป็นสุขสงบถาวรเป็นไปไม่ได้กลับเรียนท่านบอกท่านสังเกตไหมคนเราเนั้นจะรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างพวกเรารู้สึกไหมกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง <S <S ต้องตระหนักไว้นะว่าไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนว่าขันห้าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง แต่ภูมิปัญญาของเราสติปัญญาของเรามันเห็นได้แค่ว่าขันห้านี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนหรอกนะงั้นมีหน้าที่คอยรู้กายคอยรู้ใจไปจนกระทั่งเห็นความจริงมันจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองนะกายนี้ไม่ใช่ตัวสุขหรอกจิตล่ะจิตไม่เที่ยงนะไม่มีใครทําจิตให้ดีได้ถาวรไดนะ้จิตมีแต่ว่า รุ่งเรืองสว่างสวัยสงบแล้วก็เศร้าหมองแปดนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของแปรปรวนเรียนจนรู้ความจรงนะิงกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ของไม่เที่ยงเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะเราบังคับมันไม่ได้ น, ะนี่ในยะแห่งความไม่ใช่ตัวเราของกายกับจิตก็เลื่อมกันนิดหน่อยนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของนอกๆเป็นวัตถุ จิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้คำว่ า, าอนัตตาเนี่ยมีนัยยะกว้างเรียนไปพอพระเห็นความจริงอย่างนี้กายนี้ใจนี้นี่ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ล้วนๆบังคับไม่ได้ล้วนๆไม่ใช่ตัวเราล้วนๆรู้ความจริงแล้วตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันทุกข์นะมันไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกพอรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆก็มันจะวางปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจ พอเราปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจแล้วจิตใจเราจะมีความสุขอีกชนิดหนึง่งสุขแบบไม่มีภาระเป็นความสุขของคนที่ไม่มีภาระทุกวันนี้จิตใจเรามีภาระมากทํางานหนักทํางานทั้งวันเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้านยะเดี๋ยวโลคเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงหมุนจี๋จี๋จี๋อยู่ทั้งวันทั้งคืนพอเรารู้ความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะปล่อยวางมันเลิกการทํางานแบบ หมุนจีๆอย่างนั้นไม่มีแล้วนะสบายเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงแต่ไม่ใช่ว่ากายนี้ใจนี้เป็นของสุขของสงบนะปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจแล้วจิตใจถึงจะเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ๆก็พยายามทำใจให้สุขทำใจให้สงบอย่างนั้นแค่สมถะหลวงพ่อก็ได้แค่บอกทางนะหน้าที่พวกเราไปดูเอาเอง จริงหรือไม่จริงกายเนี้ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขไปดูเอาเองนะวิธีดูก็นั่งไปนั่งให้สบายเลยนั่งเก้าอี้ก็ไดนะ้นั่งแล้วอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนะนั่งไปดูซิมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เดี๋ยวมันก็เห็นเองแหละกายนี้เป็นวัตถนะุหายใจเข้าหายใจออกนี่วัต ถ, ถุมันเคลื่อนไหวกินอาหารเข้าไปขับทายออกนี่วัต ถ, ถุมันก็เคลื่อนไหวจริงหรือไม่จริงไปดูเอานะ กายนี้ถูกความทุกข์บีบพั้นตลอดเวลาจริงไหมไปดูเอาพอเราดูแล้วเรามันจะซาบซึ้งถึงใจลำพั ง, งคิดคิดเอาฟังฟังเอานะไม่ซาบซึ้งถึงใจละกิเลสไม่ได้ไปดูของจริงแล้วมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจนะถึงจะละกิเลสได้ดูเข้าไปที่จิตจิตนี้ไม่เที่ยงเลยเปลี่ยนแปลงทั้งวันดูเข้าไปถึงจิตถึงใจนะมันจะละความเห็นผิดได้โอ้จิตไม่ใช่ตัวเราจริงๆนี่มันละกิเลสได้ นั่งคิดเอานะไม่มีทางละเลยเอ้าลิซ่าเป็นไงส่งกันบ้านไม้มอุสามาหืมลงอยู่นะดีแล้วลิซ่าลิซ่าดูไปนะลิซ่าพอใช้ได้แล้วละดูไปเรื่อยๆคุณรัตนีเมื่อเช้าที่เห็นในหมู่บ้านนะ่ะดีแล้วนะตรงที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะั่นแะแล้วก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะดีตรงนี้ไม่ดีนะตอนนี้มันชื่อๆ อ, อีกแล้วดวอกไหม มันคือซึมอะไรเงี้ยนะไม่ดีนะซึมซึมทื่อๆไม่ดีเอาหนุ่มเสื้อสีฟ้าใส่แว่นเนี่ยอย่าใจลอยไปนานใจลอยนิดหน่อยไม่น่าเกลียดนะ่ะใจลอยนานน่าเกลียด <c oughs> ไปรู้สึกไปรู้สึกไปเรื่อย <c oughs> เวลาเรารู้สึกตัวใจเราไม่ลอยไปเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจได้ถ้าเราเผลอไปนะแต่อยเราไปคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่คิดนะเราจะลืมกายลืมใจตัวเ เมื่อไรทิ้งกายทิ้งใจตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติอ่ะการปฏิบัติเนี้ต้องให้ค่อยรู้กายรู้ใจเรียกว่าปฏิบัติอาคุณนี่ละ่ะทําอะไรอยู่เมื่อกี้นี้อ่าดีสอบถูกใช้ได้มาที่นั่งข้างหมอเสียมาด้วยกันบ้างน้องชายเหรอวพี่ชายก็ไปบอกหน่อยน้องชายนี้ไม่ค่อยได้เข้าวัดมั้งใช่ไหม เคยปฏิบัติไหมไม่ค่อยได้ทําใช่ไหมนี่งง่นทําสุก <laughs> จริงจงการปฏิบัตินะอย่าไปวาดภาพนะการปฏิบัติคือการทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นัน้นคิดเอาเองอะ่นะการปฏิบัติจริงๆก็คือคอยรู้ทานกายคอยรู้ทันใจของตัวเองอย่าใจลอยนานรู้จักใจลอยไหมใจลอยเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าขาดสติ ภาวพี่ทำจะสอนไม้ชาตินสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะแต่ใจเราลอยตลอดรู้สึกไหมเดี๋ยวลอยไปทางตาลอยไปทางหูลอยไปในความคิดลอยไปลอยมานะน่าเกลียดนะไม่เหมือนลอยกระทงนะไม่ลอยล่่นเร่อยไปเรืยรู้สึกไหมตอนนี้จิตใจเป็นยังไงเมื่อกี้หลวงพ่อชมแล้วรู้สึกดีใจรู้สึกไหม อ้อะไรก็ไม่เห็นตัวอย่างนะไม่เป็นไรทนๆไปเป็นเกณฑ์ไม่ใจเราชอบลอยแว บ, บๆไปเดียบบเด๋ยวก็ไหลแวบเดี๋ยวก็ไหลแวบดูออกไหม <S <S ให้ค่อยรู้ทันไปอย่างตอนนี้รู้สึกไหมใจเรานิ่งๆล่ะนิ่งๆเมื่อกี้ไม่นิ่งรู้สึกไหมตอนนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ดูออกหรือยัง ใ, ให้หัดดูไปอย่างเนี้ยรู้สึกไหมร่าเริงใจขึ้นมาอีกแล้วรู้สึกไหมเออคราวนี้เริ่มดูออกแล้วเห็นไหม ยังดีนะดูเร็วเร็วบางคนสอนแล้วดูยากหลวงพ่อบอกนะเอา้ารู้สึกตัวไว้ดิฉันไม่เคยเผลอเลยค่ะไ mm hmm. อหลวงพ่อฟังแล้วสะท้อนใจแล้ว mm hmm. บอกดิฉันไม่เคยเผลอเลยก็คือดิฉันคือพระอาหารหันต์ค่ะ mm hmm. นั่นอะใจลอยอีกแล้วน้องหมออะรู้จักหรือยังรู้จักใจลอยอยังใจมันหนีวิคิดนั่นแหละะมันชอบหนีไปเรื่อย อย่าไปบังคับมันนะพวกนักปฏิบัติชอบไปบังคับกายบังคับใจเราไม่บังคับหรอกแต่ว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นยังไงเราก็ใครรู้เอาอยเมื่อกี้แอบไปยักหน้ารู้ไหมไปยักหน้าไปใจลอยไปอ่ะรู้สึกไหมอพอเข้าใจไหมหันรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกนะแห็นเดียวฟังได้หลายๆทีหลวงพ่อไม่ว่าหรอก มีคนนะเขามีเทปอยู่ม้วนเดียวนะฟังจนเทปยืดเลยแล้วก็ตื่นเลยนะคุณสุรภูมิเป็นไงคุณสุรภูมิถง่งคันบ้านหนะ่อยอะไรนะนนะอ๋อก็ตื่นให้เป็นบ่ายหน่อยนะเห็นไไหนคุณกวีพรนะ่ะเป็นไง ให้รู้ทันที่ใจเราเนะีเสียงกระทบหูเนะี่ยความยินดียินร้ายจะเกิดที่ใจถ้าเราไปกําหนดที่หูปับป๊บหรือกําหนดที่เสียงปั๊บเนี่ยใจจะทื่อๆไปเลยมันจงใจจงใจไปดูแต่ถ้าสติมันเห็นเองว่าปจิตไปเกิดที่หูอย่างนี้ใช้ได้นะมันเห็นเองอย่างนี้ใช้ได้สติจริงๆเกิดมันรู้เองจะรู้เดี๋ยวว่าไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูรู้เองแต่ไปแล้วส่วนมากก็รวมลงมาที่ใจอาจารย์ตูว่างในจนันทรู ใช่เนื้อตันหาทําให้เกิดอุปาทานนะตันหาเป็นความอยากก็ผลักดันให้เกิดการยึดหรืออุปาทานพอยึดแล้วก็เกิดการทํางานทางใจเรียกว่าการสร้างภพเสร็จแล้วก็เกิดกูขึ้นมาเราอย่างโน้นเราอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเกิดความสําคัญมั่นหมายในความเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วจิตใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ว่าความอยากเราห้ามไม่ให้เขาเกิดไมด้ไม่มีอะไรที่เราห้ามได้เลยเพราะสับเพ สังขาราอณิจจาสัพเพธัมมาหน้าตาเนี่ยอา่เอาเป็นวันหนึ่งเขาหมดเองหมดอยากก็หมดการดินรนดรด้นรนทางใจหมดการดิ้นรนทางใจหมดการทํางานทางใจก็เลยแต่ ก, กิริยาร้วนๆเป็นเรื่องของพระอราหารันต์นั้วเราก็อย่างอย่างเราเห็นจิตใจของเรามีความอยากขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาทํางานไปแล้วก็ทุกข์ขึ้นมานั้นเห็นถูกต้องแล้ว เห็นไปจนปัญญามันแจ่มแจ้งโอ้มีความอยากทีไรก็มีทุกทุกทีดิ้นรนทีไรก็ทุกทุกทีจิตใจก็จะตั้งมั่นไม่ดิ้นรนแล้วก็รู้สึกจิตใจมีความสุข<ม>นี่เห็นผิดอีกแล้วเห็นนี่เป็นความเห็นผิดอย่างผ้านาคามีเห็นจิตจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี่มีความสุขจิตที่หลงไปไหลไปอยากไปยึดไปมีความทุกข์จิตยัมีสองงานมีสุขมีทุกข์อยู่ เรียนรู้ไปเรื่อยวันหนึ่งจิตนี้ตัวทุกข์ล้วนๆ่อยนี่ถนะึงเรียกว่าเห็นขันเป็นทุกข์ที่ยังไงไม่ถือการดมดานต่างๆที่มีปัญหนาที้องมาจิตใจลมเนี่ยมันคือแค่ลําบากค่าะนองจีสังขา ร, า ร, ารคือเราไ ม, ไม่ไม่รู้ทันแล้วก็ไปสําคัญมั่นหมายขึ้นมาเราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่อยากให้มันปรุงเข้ามาถึงจิตทำอะไรทําให้ไม่อยากปรุงเข้าถึงจิต ก็เพราะความเห็นผิดไว้จิตเป็นเรานั่นเองเราอยากจะให้จิตมันมีความสุขเพราะมันคือตัวเรานะเพราะเรายึดถือมันไว้เพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าเราจะพยายามดัดแปลงตัวเองขนาดไหนนะรากเง่าของกิเลสเนี่ยไม่กระเทือนเลยเพราะที่เราอุตส่าห์พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทําเพื่อหวังว่าจิตมันจะดีมันจะมีความสุขเพราะนั้นการกระทําที่ดีทั้งหลายของเราก็เลยเรียกว่าบุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายบุญ รากเง่าของมันก็คืออวิชชางั้นอุตสาหปรุงไปเท่าไรเท่าไรนะกิเลสหนังไม่ถลอกจริงหรอกนะมันกระเทือนเข้ามาไม่ถึงอวิชชางั้นคอยรู้ทันลงไปที่ใจเรานะทำไมอ่ะใจมันไม่อยากให้มีการกระทบกระทั่งมันรักตัวเองดูเข้าไปสิมันรักตัวเองใช่สิมันเห็นว่าของโลกเป็นของเราเรียกว่าอาวิชชาละ กายนี้ใจนี้ขันนี้เป็นของโลกนะยืมเข้ามาใช้แต่ว่าคิดว่ามันเป็นของเราก็หวงมันไว้รักมันมากอยากให้มันสุขถาวรอยากให้ดีถาวรอุตสาห์ทำอย่างงน้อนอย่างนี้แต่ละคนจะวิ่งหาความสุขทั้งนั้นหนะมาแมวก็วิ่งหาความสุขนะแต่วิ่งหาตามภูมิปัญญาของแต่ละคนคนทั่วๆ่วไปก็วิ่งแต่หาอารมณ์ที่ดีคิดว่าถ้าได้อารมณ์ดีแล้วจะมีความสุขพวกนี้ก็เลยเป็น สุดโตไ้ไปข้างกามสุขาริการุโยกเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจหรือเป็นการหลงตามกิเลสเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารหนะลงความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนะเช่นลุ่มใจขึ้นมาไปกินเหล้าทำไมทาไมไปกินเหล้าก็อยากมีความสุขนั่นแหละลนะุ่มใจขึ้นมาไปดูหนังฟังเพลงทำไมไปดูหนังฟังเพลงก็อยากมีความสุขแหละ หรืออย่างโยเป็นโสต ด, ดีๆอยากมีเมนะียหวังว่ามีแล้วมันจะมีความสุขแล้วแหละนะลึกๆก็คื อ, อันเดียวกันหมดแหละนะแมวไปว่าไล่จับนกมากินก็หวังว่าจะมีความสุขเนี่ลงปรุงแต่งใส่ชั่ววิ่งหาอารมณ์มาตับสนองกิเลสไปเรื่อยคิดว่าตับสนองกิเลสได้แล้วจะมีความสุขนี่ยเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของทุนนิยมอนะ พยายามเพิ่มการผลิตขึ้นมาเพิ่มการบริโภคขึ้นมาได้บริโภคมากๆแล้วจะมีความสุขเนี่ยเออมันทุกข์ร้นๆน่ย<อ>มันสุขเหมือนกันนะมันสุขอย่างโลกโลกจริงๆมันเป็นขยะเลยเป็นของรุงรังนี่พวกนักปฏิบัติก็หาความสุขอีกแบบหนึ่งหาทางฝึกจิตของเรา ลำพังเห็นว่าลำพังเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพ อ, พอใจนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างสู้ฝึกจิตของเราให้ดีไม่ได้ถ้าจิตของเราไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วมันจะมีความสุขพวกเนี้พยายามฝึกจิตให้ดีมันก็เรียกว่าปัญญาพิสังขารอยากเป็นคนดีหรือเรียกว่าอาตัตตากริมัสฐานิโยกการบังคับกายบังคับใจตัวเองอีกพวกหนึ่งนะฉลาดกว่า น, นั้นอีกเห็นว่าลำพังจะรักษาจิตให้ดีถาวรมันทําไม่ได้ ก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เข้าอาลูก ป, ประชานเรื่องอเนินชาที่สังข์เ น, นี่ยรากเน่ามันก็คืออาวิชาตัวเดียวกันมันรับตัวเองต้องการทํสให้เป็นกลางมีตงไม่ได้หรือได้แต่ได้ด้วยสมถนะะจิตจะเป็นกลางมีสองลักษณะกลางเพราะสมถะนี่อย่างหนึ่งกลางเพราะปัญญานี่อย่างหนึ่งวิธีกลางเพราะปัญญาก็คือให้เห็นความจริงไปอย่างความสุขเกิดขึ้นในใจเราก็รู้ทัน ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันวันหนึ่งก็จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวพอความสุขมาใจก็ไม่หลงระเริงความทุกข์มาใจก็ไม่เศร้าโศกใจก็จะเป็นกลางนี่เรียกว่าเป็นกลางเพราะปัญญาไม่ใช่เป็นกลางเพราะว่าไปบังคับจิตไว้เพราะฉะนั้นกลางก็มีนะกลางของสมถะส่วนมากพวกเราจะไปทำกลางสมถะทาใจสงบคนเขาด่าเขาเฉยคนเขาชมก็เฉย นะบอกว่าเป็นกลางก็กลางเหมือนกันแหะกลางเพราะว่าบังคับจิตเอาไว้อา้าวคุณจิตผ่องบรรยายไปไหน ก็ดีแล้วนะถ้าบวชแล้วสติเกิดไวขึ้นจิตใจตั้งมั่นด้วยปัญญาเนียสติด้วยปัญญาก็ดีแล้วนะดีแล้วทาแสงเทียนนี้อาจารย์อะไรจจริงๆนะเป็นพระมหาดีเล็เป็นเจา้าอาวาสแต่ว่าตอนช่วงข้าท่น า, านอยู่ที่อเมริกาแล้วเราให้พระอยารหลวงอง์ดูเลยอาจารย์นเนี่ย ส่งกันบ้านหน่อย ธรรมชาติของจิตนะเจริญแล้วเสื่อมจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าระดับไหนนะ mm. ก็เป็นธรรมชาติที่เจริญแล้วก็เสื่อมเหมือนเหมือนกันหมด mm. บางวันเจริญขึ้นไปสติปัญญาว่องไว mm. เหมือนจะบรรลุมรรคผล น, นิพพานใกล้ๆแล้วอีกวันหนึ่งทําไม่เป็นเลยเสื่อมเวลาเสื่อมเนี่ยคนมักจะตกใจตกใจมักจะดิ้นรนหาทางแก้ยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งแย่สิ แมันเสื่อมก็รู้ไปว่ามันเสื่อมมันของไม่เที่ยงถ้าเราทำใจได้ว่าเออมันของไม่เที่ยงนะมันก็หายเสื่อมก็อะไรเพราะเสื่อมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างใจเราโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปหาทางทำให้หายกโกรธนะยังไงมันก็หายเพราะมันไม่เที่ยงดังใจมันเศร้าหมองไม่ต้องไปทำอะไรหรอกตามรู้ตามดูไปความเศร้าหมองก็ไม่เที่ยงนะรู้ไปเรื่อยๆแล้วมาคนเดียวหรือพี่ชายไม่มา อ่าอาจา ร, จารจย์อาจารปูอืมจะเห็นว่าจิตจะกาะอยู่เลยเออดีที่เห็นนะเลยแต่ว่าเราเลยทำให้รู้สึกว่ากับจุันมีที่่มันไปกกแ่เออถูกแล้วเรายังไม่มีที่พึ่งนะบางทีมันก็แบบเิถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะเป็นอะไที่พึ่งไหนเออที่พึ่งไม่มี พราตอนนี้เป็นคนไม่มีที่พึ่งคนที่มีที่พึ่งเลียกถึงสาระถึงใจสระคมจริงๆคือพระโสดาบันพวกเราที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยคนยังไม่มีที่พึ่งหรอกเหมือนคนตกน้ำอยู่กลางทะเลเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ด้วยยังไม่มีที่พึ่งเนี่เราก็ต้องสร้างที่พึ่งให้ตัวเองให้ได้พระเจ้าบอกให้เอาตัวเองแหะเป็นที่พึ่ง เรียนรู้ลงมาที่ตัวเองรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปนะวันหนึ่งก็จะมีที่พึ่งครูบาอาจารย์แต่ก่อนบางองค์เวลาลูกิฝึ์ภาวนามาเข้าใจธรรมะบางทีทนะ่านใช้สำนวนบอกอ้อถึงใจสรณนคคมละบางองค์ก็บอกอ่อนี่ถึงรัตรัตนะตรยละบางคนก็บอกว่าอ้อนี่พึ่งตัวเองได้แล้สำนวนครูบาอาจารย์ไม่เหมือนกันแต่ในยะอันเดียวกัน รวมความก็คือตราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยเรายังไม่มีที่พึ่งหรอกเพราะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้เลยนอกจากธรรมยังพวกเราอย่าประมาทยงเป็นคนไม่มีที่พึ่งอยู่เป็นคนที่ตกอยู่กลางทะเลแล้วก็ไม่รู้ว่าทิศเหนือทิศใต้ยอยู่ที่ไหนจะขึ้นบกจะไปทางไหนยังไม่รู้ยังต้องพักเพียรนะมันยากลําบากยากลําบากที่สุดเลยในช่วงขั้นที่หนึ่งเนี่ยบูถุชนขึ้นพระโสดาบันนี่ยากที่สุดเลย พระพุทธเจ้าสอนนะว่าถ้าเราไปเรียนธรรมะ ก, กับใครแล้วท่านผู้นั้นสอนเราได้พระโสดาบันนี้มีบุญคุณกับเราที่สุดเลยแนะเป็นพ่อเป็นแม่ส่วนท่านที่สอนให้เราได้สกิทาคาอาณาคาพระอรหันต์นี่ท่านบอกเป็นแค่พี่เลี้ยงเท่านั้นพ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดนะให้กำเนิดเราในทางธรรมคือท่านที่สอนให้เราได้พระโสดาบันคืออย่างภาษาริบุตร พระสารีบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกแต่ท่านไม่ได้ถือว่าท่านเป็นลูกพระพุทธเจ้าเต็มที่นะเวลานอนเนี่ยท่านหาันศีรษะไปหาพระอสุจิเพราะว่าท่านได้ดวงตาเห็นทำได้โสดาจ า, า, าัตวาสุจิพรานอนทอยู่กับพระพุทธเจ้านะแต่ท่านฝังใจกับพระปุณณามันตานีบุตรท่านฟังธรรมของพระปุณณามันตานิบุตรแล้วได้พระโสดาบัน เวลาของเราปฏิบัติไปใจเราเข้าถึงธรรมเพราะครูบาอาจารย์องนี้ใจเราจะผูกพันเหมือนเป็นลูกของท่านผู้นี้ครูบาอาจารย์อื่นๆจะดีจะวิเศษแค่ไหนนะเราจะมีความรู้สึกเหมือนพี่รู้สึกท่านเป็นเหมือนพี่จะไม่มีความรู้สึกผูกพันเหมือนพ่อเหมือนลูกหรอกทำไปจนกระทั่งมีที่พึ่งของตัวเอง วิจารณ์สอนเอาตนเองเป็นเกาะเอาตนเองเป็นที่พึ่งอย่าพึ่งครูบาอาจารย์นะพึ่งครูบาอาจารย์ไม่ได้พึ่งใครก็ไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่พึ่งก่อนจนใจเราเข้าถึงธรรมใจเราเข้าถึงธรรมแล้วเรามีธรรมเป็นที่พึ่งขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านมีธรรมเป็นสระณะเลยตัวท่านเองก็มีที่พึ่งเหมือนกันมีสรณนะท่านมีธรรมเป็นสรณนะแต่ก่อนอ่าน ตรงนี้ก็โงโงๆนะวเว่าท่านเอาธรรมะเป็นสรณะท่านเอาธรรมะข้อไหนอ่ะหรือทำแปดหมื่นสี่พันถ้าทำาขันเป็นสระณะฟังแล้วแหมสรณะเยอะอย่างเลยเนะเราทำที่พ้นโลกนั่นแหละเป็นสรณะมีหนึ่งเท่านั้นแหละเราทำที่พ้นโลกเนี่ยภาวนาไปเข้าถึงธรรมที่เหนือโลกความทุกข์มันเข้ามาไม่ถึงเรารู้เลยตรงนี้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริง ตรงนี้ไม่มีความทุกข์หรอกความทุกข์เข้ามาไม่ถึงพวกเราต้องหาธรรมะนะแสวงหาธรรมะวิธีหาธรรมะไม่ใช่ไปหาที่อื่นหาลงที่กายหาลงที่ใจของเรานี่รู้กายกายเรียกว่ารูปธรรมกายก็ชื่อแล้วว่าเป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมจิตของเราก็เป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจเรียกว่าเข้าใจธรรมะอ๋อ กายนี้ใจนี้เป็นใจรักณนี่เองเข้าใจธรรมะพอ ร, รู้ความจริงเข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้วก็เข้าใจธรรมะที่ยิ่งขึ้นไปอีกคือจิตมันปล่อยวางกายปล่อยวางใจก็ไปเห็นธรรมะที่เหนือกายเหนือใจเหนือรูปเหนือนามอีกมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะ น, นี้ความทุกข์เข้าไม่ถึงคุณสรัญญาณภาวนาดีนะนะ มันก็มีสามอย่างนั่นแหละทีนี้บางวันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีวุ้บเยอะก็เลยไม่ทราบว่าวุ้บก็ให้มันวุ้ไปมันเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรานะแล้ที่เราก็คือรู้สึกไปมันเยอะเราเปนเรื่องทัศน์ใจไม่ดีเราทำนั่นแหลให้รู้ทันว่าใจไม่ดีแต่วุ้บเยอไม่เป็นไรอะไรก็ได้รู้ไปอย่างที่มันเป็นไม่ห้ามนะไม่ฝืน ไม่กลัวผมยกฟักไม่ได้ไปอย่างนี like like no. ้ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วทำไปอีกเยนะนีแมีสภาวะสามัญนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็เพ่งไว้ไม่ว่าทำกรรมฐานอะไรมันก็มีสามัญนี้แหละเหมือนกันหมดเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยสามคุณวุฒิเป็นไหมจันทร์ตู่เป็นไหมติดเพ่งมันก็มีแต่เพ่งสิ เพ่งมือก็เพ่งลูกเดียวเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมให้รู้แค่นี้พอลอะเอาคุณมนบ้างไงคุณมนก็ตับถูกใช้ได้จิตมีโมหะจิตมีโมหารู้ว่ามีโมหะอย่าไปเกลียดมันนะอย่าอยากให้หายนะแต่ถ้ามันโมหานานนะักโอ้เบื่อแล้วนะมารู้กายบ้างรู้อะไรที่หยับหยับขึ้นมาไม่หาย ดูจิตลูกเดียวก็ละเอียดใสก็มารู้กายเอากายเป็นตัวช่วยะร่างกายเคลื่อนไหวกระดุกกระดิก ค, คอรู้สึกเดี๋ยวก็จะรู้สึกจิตได้ชัดด้วยรู้กายชัดก็จะรู้จิตชัดถ้ารู้จิตได้ชํชนานิชํานาญจิตใจชัดเจนก็รู้กายชัดเจนนะมันยิงอาศัยกันอยู่เอาคุณวุฒิล่ะคุณวุฒิเอาคุ ณ, ดคณมดหมนด้ยนะนะเป็นเมื่อกี่วันแล้ว อ, อ่าวันนี้ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรอยากไว้ก็ดีแล้ว <c oughs> ดีกว่าปล่อยวาง <c oughs> ไม่ปฏิบัติแล้วปล่อยเอยังไม่ใช่เวลาที่จะปล่อยเวลานี้ยังต้องทํางานอยอยากปฏิบัติไว้หน่อยๆอันนะี้แหละมีตัณหาเพื่อไปละตัณหาถนะ้าถ้านอนเคยสอนมีตัณหาเพื่อละตัณหามีมานณะเพื่อละมานณะมีทิตถีเพื่อละทิตถี มีตัณหาอยากปฏิบัติเี่ยปฏิบัติไปเรื่อยๆวันหนึ่งหมดตัณหามีมานะเช่นเราเห็นครูบาอาจารย์โอ้ดูท่านดีท่านมีความสุขทําไงเราจะได้อย่างท่านนะเรายัางแย่เลยเรายัางกระจอกอยู่มีมานะนะเห็นท่านดีเห็นเราแย่ก็มานะเหมือนกันแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติไปวันหนึ่งก็หมดมานะหมดความถือตัวไม่มีเราซะหน่อยอนะไม่ต้องเป็นถึงขนาดละมันหมดนะนะเอาไว้เอาไว้ใช้ก่อน ดูไปถ้าถ้าโปลงเร็วไปนะไม่ดีนะเหมือนยังไม่ถึงฝั่งถีบเรือทิ้งไปแล้วนะเอา้ายมเนี่ยมาจากระยองเหรอเคยฝึกมาแบบไหนฝึกอย่างหลวงพ่อเทียนป่ะเคยหัดมายังไงล่ะอะไรนะเขายังไม่ได้ฝึกเหรอ นั่งสมาธินะคอยนั่งนั่งหายใจหรือนั่งยังไงล่ะอ๋อไม่ได้นั่ ง, ไ ม, ไ, งไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่เป็นไรนะหัดพุโทโธไว้ก็ได้ท่องพุโทโธพุธโทโธในใจเราแ่คอยนึกแต่คำว่าพุโทโธไปเรื่อยๆนะนึกนึกไปสักพักหนึ่งใจเราจะหนีวิคิตเรื่องอื่นเราก็รู้ทันว่าใจเราหนีไปแ ล, แล้วเราก็มาพุโทโธใหม่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปหนีไปอีกละ หนีไปคิดเรื่องอื่นอีกแล้วก็รู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วแมาพุโทโธพุโทโธไปชักเคลิมเคลิ้มละเคลิ้มเคลิ้มลืมตาขึ้นมาอา่าอย่านั่งหลับตานะลืมตาไว้เอาลืมตาไว้อย่านัหลับตานั่งหลับตาอย่างนั้นเดี๋ยวก็เคลิ้มหรอกมาด้วยกันหรือเปล่าสกิลหน่อยเร็ว <laughs> อย่าเคลิ้มหนะ้าไปรู้สึกไว้พวกเราชอบนั่งเลาเคลิ้มเคลิมไม่ดีนะ นั่งสมาธิเป็นของดีควรทำแต่ไม่ใช่นั่งหลับนั่งรู้สึกตัวนั่งรู้กายนั่งรู้ใจเช่นนั่งเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเราเป็นคนดูนเห็นไอตัวนี้มันนั่งหายใจไปเรื่อยใจเราเป็นคนดูห น, นีไปคิดแล้วทราบไหมดูออกไหมมากะใครล่ะ <c oughs> มากะ น, นิดนะ บังคับตัวเองแล้วรู้ไหมอย่าบังคับตัวเองนะให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่างที่เขาเป็นเนี่ยเราต้องไม่ทาสองอย่างอย่างที่หนึ่งใจลอยไปใจลอยไปคิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เรารู้เรื่องที่เราคิดขณะที่เรารู้เรื่องที่เราคิดเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเรารู้เรื่องที่เราคิดเราจะลืมกายลืมใจ โ น, นะอย่างโน้นน่ะลูกสิษย์ทน่นอาจารย์แบรนนั้นน่ ะ, นะมันหนีไอย่างนั้นแหละนะมันลืมกายลืมใจอันที่สองที่ผิดนะคือการเพ่งกายเพ่งใจเพ่งให้มันนิ่งสังเกตไหมว่าพอมันนิ่งนิ่งแล้วมันไม่มีใจรักนะเนี่นเรารู้กายรู้ใจแล้วเราก็เห็นใจรักนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมคุณเสื้อจุดจุดเนี้ย เออไม่ต้องถามก็ได้นะห <c oughs> ลวงพ่อวันไหนมีเสียงแล้วบอกไม่ต้องถามก็ได้ตอนไหนเสียงหมดเอาถามหน่อย <c oughs> อ้าวให้ถามพ <c oughs> ยายามรู้สึกตัวไว้นะหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปหายใจไปหายใจไปใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าใจหนีไป หายใจไปแล้วใจจะเคลิ้มเคลิมรู้ว่าใจเคลิมเคลิมหายใจแล้วมีปีติรู้ว่ามีปีติหายใจแล้วมีสุขรู้ว่ามีความสุขสรุปแล้วก็คือหายใจเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองหายใจไปเรื่อยๆรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยเเดี๋ยวมันก็สงบเองอ่าลืมตาก็ได้เคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมดูสิมีองค์ไหนหลับตา ยิ่งประเภทค่ำค่ำนะนั่งสมาธิทํางานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วก็มาเปิดเทปนั่งสมาธินะเลือกครูบาอาจารย์ที่เสียงนุ่มๆ น, นะพูดช้ า, ชาๆแหมระบบสงบดีถัวนั่งหลับสินั่นให้มันได้เรื่องได้ราวนะไม่ใช่นั่งป๊อบแปะท้อแท้นะนั่งรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจไปนะถ้าจะทําความสงบก็อย่าให้เผลอไปอย่าขาดสติ จะรู้ลมหายใจก็รู้ไปเรื่อยๆใจเราจ่อรู้อยู่กับลมหายใจมีความสุขมีความสงบขึ้นมานะไม่ใจลอยไปไม่เคลิอมเคลิ้มนะถ้านั่งแลย ก, ก็งอแงกงงอแงอกนะเดี๋ยวคอเคล็ดลำบากนย่าหลวงพ่อบอกว่าเวลานั่งสมาธิก็นั่งกำหนดลมหายใจหรือพุทธโธอย่าให้ขาดสตนะิบางคนก็เอาคำพูดของหลวงพ่อไปปลอมนะ เอาไปคุยต่อบอกหลวงพ่อประโมทสอนบอกไม่ต้องนั่งสมาธิหลวงพ่อบ้าอะไรสอนอย่างนั้นเนาะบางคนบอกหลวงพ่อประโมทสอนหลวงพ่อบอกว่ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปอย่าให้ขาดสตินะเห็นกายนี้ยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้คนดูไม่ต้องตั้งท่ามากหรอกนะขยับขยื่นคอยรู้สึกไปเอาไปเล่าต่อบอกหลวงพ่อประมวทสอนว่าไม่ต้องปฏิบัตนะิไปน่น ที่จริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เราปฏิบัตินี่นะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเลยยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดนอกนั้นเป็นเวลาที่ต้องปฏิบัติทั้งสิ้นเลยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่าใจลอยรู้สึกตัวไวนะ้เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดูไวนะ้ต้องมีใจเป็นคนดูนะถ้าจะรู้กายถ้าจะรู้เวทนาก็เห็นไปกายเ็าอันหนึงเวทนาเขาอันหนึ่งจิตที่ไปรู้กายและเวทนาก็เป็นอีกอันหนึ่ง ต้องแยกออกไปอีกนะถ้าจะดูจิตก็ดูไปเลยนะเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงจิตแต่ละวัน จ, ตตววจิตแต่ละเวลาจิตแต่ละขณะไม่เคยเหมือนกันเลยนี่หลวงพ่อสอนปฏิบัติอย่างเข้มงวดมากเลยนะไม่ใช่บอกว่าไม่ได้ปฏิบัตินะแต่บอกว่าอย่าตั้งท่าปฏิบัตนะิการปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่การวางฟอร์ม ไม่ใช่ต้องเดินท้านี like ้เท่านั้นถึงจะเรียกว่าปฏิบัติต้องกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาเท่านั้นถึงจะเรียกว่าปฏิบัติเดินไปธุระเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติีไม่ใช่แล้วนะนี่เรียกว่าไม่รู้จักการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติที่แท้จริงอจะเดินจงกรมกลับไปกลับมาหรือจะเดินไปทําธุระอะไรนะต้องรู้สึกตัวต้องมีสติเหมือนกันทั้งหมดเลยเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติพระสงฆ์พ่อบอกว่าอย่าไปติดแค่รูปแบบนะ นั่งอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องนั่งปฏิบัติยืเนเดินนั่งนอนต้องทําตลอดนะมีคนไปฟ้องหลวงพ่อที่หัวหินบอกหลวงพ่อประโมทบอกไม่ต้องปฏิบตัติก่อนจริงคือหลวงพ่อนั้นท่านชอบให้เดินจงกรมนะนี้เดินจนขาเดี้ยงแนละ้วนะรู้สึกไม่ไหวแล้วเจ้าเลขนะรีบมาถามหลวงพ่อปราโมทหลวงพ่อคะการปฏิบัติเนี่ยเราต้องทําในทุกอิริยาบถใช่ไหมคะเนี่ยหลวงพ่อไม่มีทางตอบว่าไม่ใช่ใช่ไหม เพราะว่าจริงๆมันใช่มันต้องทำทุกอิริยาบถจัดนะ แ, แจงวิ่งไปบอกครูบาอจารย์หลวงพ่อฟ้าโมสดบอกไม่ต้องปฏิบัติหรอกไม่ต้องเดินจงกรมนะโอ้ลูกศิษย์เจ้าเน่ยเยอะมากนะหลวงพ่อนี่เจอแทบทุกวันเลยเมื่อวานนี้ยังเจอเลยนะไี่ชาวเล่าให้อาติสตังเอาหลวงพ่อไปแอบอ้าง ไปเทศสอนชาวบ้านเขาเยงเลยบอกหลวงพ่อว่าอย่างนี้งี้หลวงพ่อยังไม่เคยรู้เรื่องเลยโอยเยอะมากเลยลูกฝิดชั้นหนึ่งวันดีคืนดีก็บอกหลวงพ่อว่าคนนั้นอย่างงี้หลวงพ่อยังไม่รู้เลยหมาได้แปลกแปลกนะบางทีนะอยอยากเอาอย่างวัดโ น, น้นท่านบ้างนะสอนแต่พระตาไม่ค่อยยุ่งนะาสอนง่าย อ้าวนายนิตส่งกันบ้า น, น, านดีสีเห็นกิเลสลดีแล้วเห็นกิเลสแล้วมีโอกาสดีเห็นแต่ดีนะไม่มีโอกาสเลยแล้วกิเลสตัวไหนมันเกิดบ่อยอืมดีนะดีดีแล้วสลวพ่อดีใจนะนิดกิเลสเยอะ <c oughs> ดีแล้ว ถ้าวันไหนมาบอกหลวงพ่อว่าดูมาสามวันแล้วไม่เห็นกิเลสเลยนะอาการหนักแนละ้วมีบางคนหน้าไปจับเอาอความว่างไว้กำหนดจิตให้จับว่างๆอยู่อยู่อย่างนั้นนะได้หลายวันอยู่เป็นเดือนๆก็ได้นะบอกว่าหมดกิเลสแล้วพระพุทธ <c oughs> เ, เจ้าไม่ได้ไปสอนให้จับความว่างท่านให้รู้กายให้รู้ใจนี่รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจเด็กก็เห็นกิเลส เห็นกิเลสแลมันวันหนึ่งมันอยากพ้นกิเลสถ้ามองกิเลสไม่เห็นมนะันก็นอนแช่อยู่กับมันกิชาติก็ไม่พ้นออกเมื่อนักปฏิบัติคนที่ไม่เคยเจริญสติจะรู้สึกว่าดีชั้นดีถาวรเลยดีชั้นเป็นคนดีผมเป็นคนดีลงมาเจริญสติสิหูหาคนชั่วเท่านี้หายากนะถามดูแต่ละคนเนื้อกูแลวิชาตว่าไงเออคุณปราด า, าไปไง กิเลสเยอะไหมเยอะนะยิ่งภาวนาเก่งๆนะยิ่งกิเลสเยอะแยะเลยเยอวะว่กกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดเยอะแยะกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดนะสู้สติไม่ได้น ะ, ะมีสติไวอ้าคุณเสื้อเหลืองส่งกันบ้านมาบ่อยๆ ไม่แน่ใจให้รู้ว่าไม่แน่ใจนะนี่เป็นประโยชนเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปรวไมไว้ในหนนะังสืออีกแล้วเขาเรียกอะไรนะ FAQ เรืยกอะไรจำไม่ได้แล้ว <laughs> รวมไวในปฏิภูมิยอะแล้วนะคำถามนี้คนถามบ่อยๆะประเภทที่ทําอยู่นี่ถูกหรื อ, อยังนะกําลังสงสัยอยู่ว่าที่ทําอยู่นี่ถูกหรื อ, อยังให้รู้ว่าสงสัยนะทันทีที่รู้ว่าสงสัยนะี่ถูกทันทีเลยเรียกว่าเรารู้ลงปัจจุบันแล้วก็ถูกละนะ ถ้าสงสัยแล้วคิดใหญ่เลยนะไม่ถูกอะ่ะหรือสงสัยแล้วอยากมาถามครูบาอาจารย์นะแหมอยากเมื่อไหร่อาจารย์จะคุยด้วยจะได้ถามอย่างนี้ใช้ไม่ได้รู้เอานะรู้เอาอย่าไปหลงคนกิเลสนะไปอ่านหลวงพ่อเคยเขียนไว้เรื่องสารพันปัญหาของผู้ปฏิบัติอไปอ่านไหมไอไอเออไปลองไปอ่านใหม่ะแล้วจะตอบได้ทุกปัญหาเลยไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นตอบได้หมดเลย อ่านมีไม่กี่หน้าหรอกไปอ่านสมัยหลวงพ่อปฏิบัตินะเวลาสงสัยขึ้นมาจะดูเอาดูเอาไปดูของเราไปเรื่อยๆไม่ค่อยถามครูบาอาจารย์แต่ว่าเวลาเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์เราจะได้ยินได้ยินคนชอบมาถามท่านถามเรื่องโน้นเรื่องนี้นะถ้าเป็นเรื่องปฏิบัติแล้วคําตอบของท่านเนีจยเหมือนๆกันรู้ไปรู้ไปรู้ไปบางคนคิดมากนะเชื้อโรคมีจิตมไหย โอ้ยทมันจะคิดมากขนาดนั้นอยากรู้ว่าเชื้อโรกมีจิตไหมถามอาจารย์นะอา้าวชาวระยองรู้จักใจลอยไหมนะ่าใจลอยเรารู้ว่าใจลอยใช้ได้แล้วอา้าวคนน้นว่างไงลืมชื่ออีกแล้วเราอะที่ไปบวชมาเออชื่ออะไรเชอรี่เชอรี่นะ คนนี้มาบอกหลงพ่อบอกว่าหลวงพ่อวันนนนะจะพักผ่อนเจ็ดวันนะเขาไม่ได้มาบอกนะว่าท่านจะเข้านิโรธสมบัตินะไม่ได้บอกหรอก ม, มาบอกแค่ว่าท่านจะพักตอนแล้วคนไปลือเองอาจารย์จุนเป็นไงอาจารย์ ถ้าจย์ตั้งใจทำงานนะขณะที่เราจดจ่อการทำงานนี่มีสติอย่างโลกโลกมีสมาธิอย่างโลกโลกแต่พอทำงานแล้วเครียดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันอย่างนี้ใช้ได้แล้วละ่ะเรายังอยู่ในวัยทำงานเราก็ทางานไปเลี้ยงปรรยายไปแต่ว่าการเป็นคารวาดแล้วก็ทำงานนะอย่างเราไม่ใช่มิจฉาอาชีวะนะมีหน้าที่ทำงานก็ทำไป ต้ง อ, อกตั้งใจมีหน้าที่เป็นฆราวาสมีหน้าที่ทํำมาหากินนะจะมาอ้างว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วขี้เกียจหากินไม่ได้นะเพราะมีหน้าที่ทํำมาหากินนี่ทํางานนะ จ, จิตใจเกิดกิเลสขึ้นมาก็ค่อยรู้เอานะอย่างบางคนบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัตินะถ้าได้บวชได้มาอยู่วัดแล้วจะได้ดูทั้งวันไมนะ่จริงหรอก คนที่ตอนเป็นฆราวาสเนี่ยไม่ขยันดูนะมาเป็นพระมาเป็นชีนะ้มันก็ขี้เกียจเหมือนเดิมเลยมาหาเรื่องอ้างต่อไปอีกเช่นเป็นเยชีต้องไปทําครัวก่อนหาเรื่องอ้างต่อไปอีกอ่ะถ้าคนไหนขยันดูตั้งแต่เป็นฆราวาสนะมาเป็นพระมก็ขยันดูมาเป็นชีก็ขยันดูแล้วถ้าเป็นฆราวาสแล้วข้ออ้างเยอะนะมาเป็นพระมันก็มีข้ออ้างอยันได้ใงการปฏิบัติอย่าหาข้ออ้างนะสู้ตาย ดูเอาอยัางหมอติทํางานกับคนบ้าก็ทําไปนะเป็นหมอโรคจิตก็รักษาไปนะถ้าหมอรักษาไปแล้วหมอภาวนาไม่เป็นแล้วหมอก็ไปรับแอปสอบนะเก็บขยะเข้าบ้านเยอะวันๆถ้าภาวนาเป็นนะก็ไม่เป็นไรนะงั้นทํางานนะก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ทํางานแล้วปฏิบัติทำไม่ได้ เป็นคารวาสก็ปฏิบัติธรรมได้ถ้าขยันดูก็ดูได้แทบทั้งวันนั่นแหละเชอรี่รู้สึกไว้เชรี่อย่าใจลอยอา้าหนุ่มระยองนู้นอ่ะกําลังทําอะไรอยู่เมื่อกี้นี้อา้าสับถูกแล้วนะให้รู้ทันว่าเรากําลังคิดอยู่สังเกตไม่ฟังหลวงพ่อพูดฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปสลับกันไปเรื่อยๆด่ออกไหม ให้คอยรู้ทันตัวเองนะไปฟังก็รู้ไปคิดก็รู้เมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดนะั่นจะตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกตัวเกิดความรู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้เตอนนี้หนี่ไปคิดอีกแล้วทราบไหมให้คอยรู้ทันอยากพูดแต่รู้ไหมอยากพูดรู้ไหมเห็นแรงดันในอกไหมดูซิเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปอย่างนั้นนะเวลามันอยากพูดมันจะมีแรงลักขึ้นมานะเป็นตันหาสักขึ้นมา ให้คอยรู้ทันมันแค่เกิดแล้วก็ดับไปใเวลาคุณโกรธคุณก็สังเกต น, นะความโกรธมันผุดขึ้นที่เดียวกันนี้แหละนะมันผุดขึ้นมากลางอกนี้แหละความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ผุดขึ้นมาที่เดียวกันนี้แหละให้คอยรู้ไปเอาใครยังไม่ได้เรีย น, นอ๋นนอไม่เคยเลยเหรอตอนนี้สงสัยรู้ไหม แล้วทำไมทราบว่าสงสัยอะ่ะเ ไ, ไม่ทราบว่าอะไรจับเออเรื่องสีอะไรอะ่ะคือคือย่างไม่้บอกว่าเรอู้ทกาน่นใจเก็ไม่รู้ว่าอาใจเนี้ยจะเอาใจเตอนเนี้ยนนรู้สึกไหมเราอินกัการพูดรู้สึกหมเ<ะ>นี่ยให้รู้ทันตัวเองแบบเนี้ย<ะ>นะไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าอะไรมันเป็นคนรู้มันจะไปรู้ที่ไหนไม่ต้องสนใจหรอกแค่ให้คอยรู้ก็พอแล้วเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเวลาดีใจเคยรู้ไหมดีใจ เสียใจสงสัยอะไรเงี้ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปเรื่อยง่ายง่ายเห็ น, นไหมอินอีกแล้วอินอีกแล้ว <c oughs> ดูออกไหมยังทําไมรู้ว่าอินน่ะเห็นไมไม่ใช่ท่าทางในใจออกเนี่ยรู้สึกไหมตอนเนี้ยมันเหมือนตื่นขึ้นมารู้สึกไหมแล้วทําไมรู้อ่ะว่าตื่นเห็นไหมมันรู้เองหรอกเห็นไหมไม่ต้องถามเลยว่าทําไมรู้อ่ะ มันรู้เองเนี่ยอยากพูดอีกแล้วรู้ไหมเห็นไหมคนไม่ไหวแล้วรู้สึกไหมอี่ายเป็นการที่ว่าเรารู้หรือว่าเรารู้หรือว่าเราอ่เนี่ยให้รู้ว่ากําลังสงสัยไปเลยถ้าหากรู้สึกเนี่ยเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจถ้าคิดเอานึกเอานะจะรู้เรื่องราวรู้เรื่องราวเนื้อหาสาระที่คิด ถ้ารู้เรื่องราวที่คิดเรียกว่ารู้สมมุติบัญญัติ mm. ถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดเนี่ยเรียกว่ารู้ทันลนะรู้จิตใจสัง mm. เกตไม่ชอบรู้เรื่องราวแต่ไม่ชอบรู้ว่าจิตแอบไปคิดนึกออกไหมเนือยต่อไปนี้นะ่จิตแอบไปคิดรู้ทันมันจิตแอบไปคิดรู้ทันมันฝึกแค่นี้แหละพอแล้วอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่ามาด้วยกันอ๋อคุณอนวิชานะนึกว่าอยู่ที่เดียวกันให้ไปเรียนแก่อาจารย์สุรวัตร ยังม่กี้หันไปดูเขารู้สึกไมเราลืมตัวเราเองนึก อ, ออกไหมนะเรียกว่าขาดสติแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องมีสติตลอดเวลานะขาดสติไปแล้วก็รู้ให้มันไวหน่อยเห็นตอนนี้ลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตัวเองรู้แต่เรื่องที่คิดไปรู้เรื่องที่คิดอีกแล้วรู้สึกไหมไม่รู้ว่าจิตจะคิด ให้คอยรู้ทันว่าจิตไปคิดเไม่ใช่รู้แค่เรื่องที่จิตคิดแต่เวลาเราทํามาหากินไปรู้เรื่องที่จิตคิดรู้เรื่องราวเวลาปฏิบัติธรรมรู้ว่าจิตไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่มันคิดเนี่ยรู้ไหมมันแอบไปคิดอีกและเนี่ยมันก็จะตื่นขึ้นมาแค่นี้เองเนั้นตื่นบ่อยๆนะแล้วเราตื่นเราก็จะหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วก็ไม่อยู่กับโลกของความเป็นจริง เราก็จะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงจะเห็นเลยกายนี้มีแต่ทุกข์ร้วนร้อนกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้จะเห็นเองน่ะมีวิจิตร์แล้วทราบไหมบบเออเนี่ยแหละแวบบนึงแหละร้ายที่สุดเลยตรงแว บ, บนี้แหละนะว่าจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็ อ, อีแว บ, บเดียวนี้แหละอ่ะ